ท่านฟังที่เคารพค่ะสำนักงานรายการสำนักงาสนทนาและสถานีวิทยุเอเอ็มครอบครัวข่าวร้อยหกเป็นสถานีในเครือของฐานเรือคือสอทอร์นะคะท่านก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนตีห้าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สองแล้วคะเดี๋ยวจะมากราบนวัส ก, การสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เพียบุญอภิปุญโนกันคะ่ะจากช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะนวัส ก, การกับท่านคะ่ะเชิญพ่านค่ะ เมื่อวานนี้ฟังท่านอาจารย์ได้พูดถึงหน้าที่ของพ่อแม่นะคะที่ว่ า, าให้ลูกศึกษาศิลปะวิทยาฉันก็เกิดสงสัยมากขึ้นไปอีกว่าพระพุทธองค์ระบุไม่มคะว่าศิลปะวิทยานั้นเป็นวิทยาอะไรกัน เ, เป็นวิชาอะไรกันเคยระบุอยู่ในเรื่องของการอาชีพนะรพุทธเาพูดถึงอาชีพที่เป็นรับราชการก็ได้นะอาชีพราชบุรุษก็ได้อาชี พ, พูดถืออาวุธราชบุรุษเนี่ยหมายถึงข้าราชการนะ <Okay. S 1> อาชีพผู้ถืออาวุธก็ได้หมายถึงเป็นเป็นข้าราชการพลเรือนก็ได้เป็นข้า <Costa Yok dumping> <unexpected> ราชการทหารก็ได้จะเจนไหมอ่าข้าราชบุรุษก็คือข้าราชการพลเรือนใช่ไหมอาชีพผ uh ู้ถืออาวุธก็เป็นข้าราชการกลาโหมใช่ไหมทหารแล้วก็พาณิชยกรรมก็ได้ในการค้าขายโครักกรรมก็ได้ในการเลี้ยงโคเกษตรกรรมก็ได้นะก็คือการทําการเกษตรหรือว่าอาชีพที่ใช้ศิลปะวิทยาด้วยมืออย่างใดอย่างหนึ่งขีดคอมพิวเตอร์ก็ได้นะเป็นวิศวกรก็ได้นะ เออเป็นนักบัญชีก็ได้แตพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนั่น ค, <ะ S 1> คือศึกษาศิลปะวิทยาเนาะมีอีกไหมคะพูดถึงศิลปวิทยาเ น, นี่ยอันนี้ก็กว้างเต็มที่แล้วนักดนตรีก็ได้อ๋อคะอ่ะคือเหมือนกับคือดิฉันกําลังมานั่งนึกๆกับถามว่ามนุษย์ที่ชอบคิดว่าต้องศึกษาเรื่องโน้นเรื่องมี้ทขากศึกษากันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ<ช>อย่างอันเนี้ยค่ะคือดิฉันเวลาสนทนาธรรมกับพระเนี่ยนะคะดิฉันชอบที่จะถามเรื่องที่มันอยู่บนโลก เพราะว่าคนเราจะได้รู้ว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องของคนที่จะลาโลกแล้วแต่เป็นเรื่องบางคนบอกว่าอุ้ยแกแล้วสิใกล้จะตายของทานโต้ไหมคะไม่ใช่เครือค่ะบางคนบอกว่าก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วไงคือชีวิตมันไม่มีความสามารถแล้วออืแล้วก็เรี้ยวแรงก็หมดแล้วหรือว่าโรคภัยแค่เจ็บมันดุมเดาแล้วก็เลยต้องหาธรรมะแต่ทีนี้ ฉันคิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าหากเราสามารถนํามาใช้ในวัยที่เรายังแม้มีชีวิตชีวากับการอยู่บนโลกกันนะคะทีนี้กราบเรียนถามท่านเรื่องศิลปะวิทยาเพราะว่าคนเรานี่ก็อยากรู้อะไรที่แปลกเกินตัวเยอะเขามีกลุ่มเฝ้าระวังเอเลี่ยนเอเลี่ยนคือมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมคะ อ, อยู่ด้วยบนโลกใบเนี่ยแล้วก็มีข่าวออกมาเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาว่าเขาอ้างว่าเจอนิ้ว นิ้วของคนเนี่ยนะคะ uh huh. บนดาวอังคาร mm hmm. มีภาพถ่ายมาด้วยดิยฉันก็นั่งดูอยู่เนะะี่ยค่ะมันก็คล้ายๆนิ้วเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ยังมีการพบหลักฐานที่บ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร mm hmm. เช่นรองเท้าแตะแล้วก็มีฟอสซิลลึกลับที่กําลังยิ้มได้อยู่ด้วย mm hmm. มีรูปประกอบเหล่านั้น แต่ว่าก็มีคนเถียงเพราะว่ามันก็ไอหินธรรมดานั่นแหละแต่มันหน้าตาคล้ายๆกับของที่คุณเห็นเมื่อเหมือนอืการศึกษาในลักษณะเนี้ยค่ะถือเป็นการศึกษาศิลปะวิทยาไหมคะเออก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือหมายความว่าการศึกษาก็อย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐิก็คนละอย่างกันนะศึกษาศิลปะวิทยาพวกเนี้ยเพื่ออะไรในี๋ยวพระเจ้าบอกว่าเพื่อหาเลี้ยงชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้เป็นสัมมาอาชีวะ นะเพื่อที่จะมีโพกษัซนะับมีการลุกขึ้นมีการรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพกษะซับที่ได้มาโดยธรรมแต่ป็นจุดประสงค์ของการศึกษาศิลปะวิทยาเนี่ยเพื่อหาเลี้ยงชีพนะ อ, อ ค, ะคือไม่ใช่เพื่อเถียงกันไม่ใช่เพื่อใช้เป็นอาวุธคือหอคือป่าไม่ใช่เพื่อใช้จะเป็นสทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไปทิ่มแทงคนอื่นถ้าอันนั้นผิดแล้วค่ะงั้นถ้าจะว่าไปก็เรียกว่าทุกศิลปะวิทยาเลยที่ เป็นสิ่งที่ไม่ดูดซิปได้ก็ก็ทําได้ประมาณนั้นค่ะแล้ว<า>ถ้าเป็นโจนนะครับท่านคะก็เป็นโจนก็จะผิดในการถือเอาทรัพย์อัไม่ได้ให้บุรุเจ้าบอกงี้นะผมอยากจะเนียมากเลยก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้ น, นมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นนะรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะตัวชุ่มด้วยเหงื่อฉันทํางานออฟฟิศนะฉันฉันได้เงินเดือนนะเงินเดือนหลายๆแสนอย่างเงี้ยไม่เห็นจะต้องตัวชุ่มด้วยเหงื่อเลย มันไม่จริงหรอกจะมาเมื่อก่อนก็ทำงานออฟฟิศแล้วเราพบว่า เ, เวลาเราประชุมอย่างเงี้ยเวลาเราที่ต้องอดข้าวมถึงเวลากินแล้วไม่ได้กินถึงเวลานอนแล้วไม่ได้นอนเนี่ยพวกนี้เป็นความเหนื่อยที่เราจะต้องเกิดขึ้นไม่ต้องอื่นไกลเวลาประชุมเราพรีเซนต์ในที่ประชุมอย่างเงี้ยบางทีเหงื่อเราแตกที่หลังเราก็มีเออต่อให้คุณมีความพูดคล่องตัวยังไงบางทีพูดพูดไปเหงื่อมันแตกก็มีเนาะหรือบางทีออกไปข้างนอกงานข้างนอกเหงื่อแตกก็มี มันก็มันก็มีทั้งนั้นเพราะนั้นบริการผู้เช่าเนี่ยเนี้ยมากจริงจริงแล้วก็จุดประสงค์ของการทำอาชีพพวกนี้ศิลปะวิทยาพวกนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะจะหาเลี้ยงชีพนะเพื่อให้ได้เงินมาว่างนันเถอะทีนี้สมมตุติอาชีพก็มีหลากหลายเลอเกิ น, นบาง ค, คนก็ไม่สามารถที่จะมีเวลาในชีวิตมากนักก็เลยบอกว่าเอ๊กก็อยากจะเลือกในการประกอบอาชีพ กำลังสงสัยอยู่นะคะไอ้ที่ทำทาอยู่เนี่ยทําทำไปแล้วมันเป็นมีโบนัสเป็นบุญหรือเปล่าแล้วจะมีวิธีพิจารณาอย่างไรในการเลือกงานค่ะผู้เชี่ก็พูดถึงงานงานไหนนะคือสมมุติว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นอาชีพที่เราให้เราอยู่ในมัคคือพูดอย่างนี้ก่อน คือองค์ประกอบที่จะทำให้คุณรวยขึ้นได้มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นได้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นได้ครอบครัวดีขึ้นเงินในกระเป๋ามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแตคุณวิธีการที่พุทเจ้าบอกนะ <ใช S 1> ก, ก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานนีน้พูดสั้นๆเลยมีศีลสมาธิปัญญาบทพิเศษนะพุทเจ้าก็คือว่าเป็นผู้ที่มีศีล น, นะมีฌานมีความยินดีในเรือนว่างแล้วก็มีปัญญา ก็นะพูดง่ายๆคือมีสีมีสมาี่มีปัญญานะถ้าพูดใจให้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็อยู่ในมาร์กแปดนั่นแหละคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกอาชีพเนี่ยง่ายมากเลยคุณโยมติว๋วคุณเลือกอาชีพไหนก็ได้ที่คุณจะอยู่ในมาร์กแปดได้นี่พูดกว้างมากเลยนะอย่างเช่นถ้าคุณไม่ชอบเจ้านายคนนี้คุณไปทํางานทีไรนึกถึงแต่หน้ามันแล้วฉันก็ไม่สบายใจคุณเปลงงานไปเลยคุณจะอยู่ทําไมก็คุณมีมิชาสังกปะ ค่ะคุณมีวิฉาสังกปปะนะคุณอยู่แบนี้คุณไม่ก้าวหน้าหรอกเพราะคุณผิดมากแต่ถ้าคุณมีสัมมาสังกปปะได้นะอันนี้ถึงจะดีงานนั้นดีแน่แี่นี้ ม, นมันต้องพูดอีกประเด็นนึงด้วยเพราะนี่มันจะสุดโตรงข้างหนึ่งสุดโตรงข้างหนึ่งก็คือว่าปัญหาอยู่กับตัวเราคุณไปที่ไหนคุณก็ไม่ชอบหัวหน้ามันทุกที่เลยเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่ปัญหาที่หัวหน้าตั้งกรณีนี้มันปัญหา <c oughs> ที่ตัวคุณเองค่ะเออเ อ, อ, เ, อ, อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ให้ถูกจุดนะนะค่ะ เราเราแก้<ม>ที่ข้างนอกด้วยเราก็ต้องแก้ที่จิตใจเราด้วยเอหรือว่างานนี้มันเป็นงานที่ต้องฆ่าสัตว์ต้องลักทรัพต้องพูดโกหกอ่ะโอ้ยงั้นคุณเปลี่ยนซะคุณอย่าทำไม่งั้นเราจะไม่เจอแต่ความจเจริญเราเจอแต่ความเสื่อมคือเราไม่สามารถทวนกระแสกรรมได้คุณโยมเดี๋ยวเข้าใจไหมอาจจะจะป๊อปป๊อแป๊บแปบคุณดีขึ้นมีชื่อเสียงแต่ถ้าผมว่าคุณผิดมาร์กนะไอ้พวกนั้นมันจะย้อนกลับมานะอะมันเหมือนกับดีขึ้นฉาบไว้นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะ พอ <Okay. S 1> ใช้งานจริงๆปุ๊บเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวมันจะร้าวเราจะเดจะจะไม่ไมรอด mm hmm. ช, ชีวิตของเรามันไม่ได้เหมือนแค่วิ่งร้อยเมตรคุณใส่เต็มที่เลยถึงเส้นชัยแล้วสบายแต่ชีวิตของเรามันเหมือนวิ่งมาราธอนน่ะคุณโยมติว๋ว <Okay. S 1> เราต้องอึดเราจะต้องเส้นชัยมันอยู่อีกไกลนะเราจะต้องค่อยๆทําไปอย่างเงี้ย น, นะ <Okay. S 1> อย่าฉับเฉยว่งกันเถอะทีนี้ในเมื่อท่านตีกรอบให้ว่า บอกเป็นหลักการเอาไว้เลยอาชีพที่ทำแล้วจะได้กุศลไปด้วยในระหว่างทำอยู่ในมรรคได้ค่ะไม่ไม่เป็นบาปในมรรคในะท่านรบกวนทบทวนหน่อยเผื่อว่าท่านใดาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับมรรคนะคะโดยสรุปสั้นๆว่าหลักที่ว่านี้รายละเอียดเป็น อ, อย่างไรคะข้อที่หนึ่งก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เลยวันแรกของการประกาศธรรมะ ที่ป่าอีศิปตนะนะกับภิกษุ5รูปนะพระเจ้าพูดถึงอริยมรรคมีองค์8ปกุ่นโยมเติว๋วสําคัญมากนะอันดับแรกพระเจ้าพูดถึงสัมมาทิฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นยังไงเรียกเห็นชอบเห็นชอบเนะี่ยคือความรู้ในอริยสัจสีนะรู้ในอริยสัจสีคือเห็นเนี่ยไม่ใช่ใช้ตาเห็นนะแต่ใช้ใจเห็นใช้ใจเห็นก็คือรู้นั่นเองแต่เพราะฉะนั้นพอเราจะรู้อย่า ง, างสมมติ อ่าท่านผู้ฟังฟังรายการสันสนทนานี้ใช่ไหมอาตมาพูดอย่างเงี้ยหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะจากเล่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันความรู้ของคนนั้นอยาอ่างอาตมาพูดอะไรคือความรู้ของอาตมาท่านผู้ฟังคือฟังความรู้ของค น, น, งนเฉยเฉยท่านฟังอ่านหนังสือจากเล่มใด เ, เล่มหนึ่งก็คือเป็นความอ่านความรู้ของคนเขียนตัวเองยังไม่รู้นะคือพอเราศึกษามาก ข, ขึ้นศึกษามาก ข, ขึ้นอย่างที่คุณยมติ ว, ว่านะศึกษามากขึ้นเนี่ยคือคุณเป็นบัญญาชนแต่ยังไม่ใช่ว่าวินยูชนวินยูชนเนี่ยคือผู้รู้รู้ด้วยตัวเองนะ เราะฉะนน <requis. S 1> พอเราศึกษามากขึ้นเนี่ยเป็นการศึกษาความรู้ของคนอื่นเฉยตัวเองยังไม่รู้แพะนที่บอกว่ารู้รู้รู้เนี่ยก็คือว่าคุณตัวเองต้องรู้เองเนี่ยไม่ใช่แค่จําได้หรือว่าเอาจําความรู้ของอื่นมาพูดไม่ใช่ น, น, นี่คือความรู้ในอเยสสีนะคือรู้เนี่ยไม่ต้องรู้อะไรมากมายนะเรารู้ว่าเอออย่างตัณหานี่มันมีอยู่นะเรารู้เปล่าบางทีตัณหาเกิดขึ้นในจิตเรายังไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณต้องรู้แล้วคุณก็ต้องรู้ว่า เออตันหาเนี่ยต้องควรละนะอย่าไปทําให้มันมากนะเป็นต้นนะพอรู้ว่ามีตันหาแล้วกลับไปทําให้มันมากแสดงว่าคุณยังรู้ไม่จริงองนะหรือว่ารู้อีกรอบหนึ่งก็คือว่ารู้ว่าตันหานี้เราได้ละแล้วเอาคุณยังละไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณยังรู้อยู่สองแง่งแรกนะรู้ว่ามันมีรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรละเป็นต้นอย่างนี้น<ท>ะค่ะอืมเอ่อทีนี้ขั้นตอนตัดไปนะคือสัมมาสังกปะสัมมาสังกปะก็คือความดําริชอบ ไม่คิดปยาบาดไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดมุ่งร้ายไม่คิดโลภในกามอย่างนี้ข้อที่สก็คือสัมมาวาจาคือพระเจ้าจะแบ่งอย่างนี้2อย่างแรกคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสามอย่างถัดมาคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะก็คือการพูดดีก็คือไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบใช่ไหมสัมมากัมมันตก็คือว่า ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บริวิบิดในการมนะสัมมาอาชีวะก็คือว่าประกอบอาชีพที่มันไม่ต้องโกหกไม่ต้องพูดล่อราบด้วยราบไม่ต้องพูดพิริพิไรไม่ต้องพูดอะไรที่มันจะต้องหลอกลวงคนอื่นอย่างเงี้ยถ้า3อย่างนี้รวมกันก็คือในระดับของศีลในระดับของความปกติท่างกายทงางวาจานะแล้วก็3อย่างถัดมาสามอย่างถัดมาก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติทางใจละ นะเรื่องการปฏิบัติทางใจนะว่าใจเราต้องมีความเพียรนนะ้าใจเราต้องมีสติมีสมาธินะอย่างนี้นะก็จะเป็นชุดของศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะก็เอาเป็นกรอบในการที่จะพิจารณาก็แล้วกันจะได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแล้วเวลาที่เราปฏิบัติตามเรียมังมีองแปดเนี่ยคุณยมถิวเราจะได้นกหลายๆตัวเลยตรงที่ว่าข้อที่หนึ่งคือเราสบายใจ นะข้อที่สองการงานเราก้าวหน้าแน่นอนอันนี้ผู้เช่าฟันธงเอาไว้ถ้าคุณเดินตามศีลสมาธิปัญญานะไม่เหินางานจากฌานามีสมาธิมีการยินดีในเรือนว่างอยู่เรื่อยๆเนี่ยการงานเราก็จะดีคุณจะได้ได้โปกษะปัจจัยมากขึ้นนะข้อที่สามชีวิตครอบครัวคุณก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าคุณอยู่ในวิถีทางของธรรมะนะสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาได้ แล้วข้อที่สี่นี่สำคัญมากเลยก็คือว่าในพบต่อๆไปเนี่ยคุณก็ยังได้ดีถ้ามันมีจริงคุณยังไม่เชื่อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้คุณได้ผลอันนี้ส่งว่าชีวิตคุณดีแน่ถ้ามันมีจริงนะคุณยิ่งดีคูณสองดีเป็นหลายๆเท่าแต่ถ้ามันไม่มีจริงอย่างน้อยเดี๋ยวนี้เราก็ดีใช่ไหมเราก็สบายใจอย่างนี้นนะค่ะเฉะ้นว่าบางคนอาจจะฟังแล้วยังมีความรู้สึกว่า โอ้ต้องมีฌานนะฌานนี่คืออะไรเขาก็ฌานบ้านไม่ใช่ฌานบ้านอย่างนั้นฌานเรือนไม่ใช่ฌานเนหมายถึงสมาธินั่นแหละนะคือกําลังจิตนั่นเองเวลาที่เขาเวลาที่เขาจะมาชักชวนให้คุณไปกินเหล้าเมาเบียชวนไปทําผิดศีลผิดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีกําลังจิตในการที่จะไม่ไหลไ ป, ไปตามนี่คือพลังจิตของเราเราต้องมีอย่าให้เหินห่างจากตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้กระแสะโลกมันกระแสะของความไม่ดีอนะ มันรุนแรงมากคุณผยมติว๋วมันมาทุกทางมันแฝงตัวมาในรูปของโจนเสื้อนอกว่ามันดีดีแต่จริงจริงข้างในเนี่ยมันกะขระเน่าเฟะพูดออกมานีิเหม็นหึง่งเราต้องคอยดูให้ดีจิตเราต้องอย่าไหลไปตามสิ่งพวกนี้นะ no? อืะอและดิฉันก็เห็นว่าเวลาใกล้จะหมดด <c oughs> ิฉันสามารถสรุปอย่างนี้ <c oughs> ได้ไหมคะว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านไปบูลพูดไปเนี่ยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้เจอท่านพิบูลในรายการสันสนีสนทนานี้ ท่านลองเอาไปใคร่ครวญสิคะว่าถ้าสร้างเหตุแบบนี้แล้วจะเกิดผลที่ดีขึ้นกับการงานหรือไม่ดิฉันว่าไม่ต้องคิดไปนในแนวทางปฏิหารหรอกนะคะเอาแค่คิดว่ามีสมาธิในการทํางานงานก็ได้ผลดีและผลที่ดีนั้นถ้าหากว่าจะสร้างโพกซั์ขึ้นได้อันนันก็เป็นเรื่องตรงตัวใช่อย่างนั้นไหมคะใช่ถูกต้องะะอส่วนเรื่องที่เป็นปฏิหารอะไรวันนี้ยังไม่เชื่อก็ลองปฏิบัติไปก่อนนะคะ เพราะว่ามันจะเห็นผลในส่วนที่แบบตรงตัวก่อนให้ท่านสบายอกสบายใจได้ก็แล้วกันวันนี้ก็ต้องกราบน้อมสักการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะเชิญมร์ค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการนี้ก็ตั้งใจเพียงให้ผู้ทวจนะที่ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ไปเนี่ยนะคะนำพาชีวิตของท่านสู่ความสวัสดีมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทาให้ ท่านได้พบในสิ่งนี้แล้วก็ไม่มีใครทําให้ได้นะคะเพราะว่าเรื่องธรรมะของพระพุท ธ, ธองค์เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตัวค่ะแต่ทําเมื่อไหร่ก็ทําได้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ไม่จํากัดการด้วยรายการของเราไม่เหมือนธรรมะของพระพุท ธ, ธองค์นะคะมีเวลาจํากัดในสัปดาห์แต่ก็กลับมาพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาที่วันจันทร์ของวันศุกร์ค่ะนะค ะ, นะคะเราก็มาพบกันตีห้าถึงตีห้าครึ่งเช่นเคย ส่วนท่านพยบุ์ท่านมีรายการเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนีดด้วยที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหนึ่งประเทศไทยก็หมุนไปฟังกันนะคะสำหรับท่านที่ติดใจในวิธีการสอนของท่านพูบุ์ค่ะส่วนรายการของเราใครอยากได้หนังสือพุทธวจนะเอาไว้ใครครวญคําำศาสดาซึ่งเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนี้ก็ที่ศูนย์สองสหกเนะคะเราลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะพุทธสวัสดีค่ะ